ขอบพระคุณท่านค่ะที่กรุณาชี้ทางให้ตลอดหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาค่ะก็ขณะนี้ก็เห็นความโกรธมากขึ้นแล้วก็หลงไปนี่ก็ประจำอยู่แล้วเ ห, เห็นความโกรธค่ะเห็นความโกรธแล้วก็เห็นเวลาหลงไปคิดเรื่องอื่นก็จะเห็นเห็นค่ะ ไม่ทราบว่าปฏิบัติมานี่ถูกหรื อ, อยังถูกสิถูกแล้วน ะ, ะนะถ้าเราเห็นกิเลสนะดีที่สุดเลยเห็นจิตใจที่ไหลไหลไปเรารู้ทันดีจะกราบเรียนท่านอีกเรื่องหนึ่งคือสามีที่เคยมาแล้วก็ตอนนี้ป่วยเป็น vascular dementia ค่ะมีกับเคมีสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นจะไปติดอยู่ที่จุดหนึ่งตลอดเวลาทายังไงถึงจะดึงออกจากจุดนั้นได้คะ เอ็มถ้ามันเป็นทางร่างกายนะมันต้องรักษาทางวัตถุทางร่างกายถ้าเป็นเพราะใจเราถึงจะรักษาด้วยใจค่ะเป็นด้วยใจด้วยร่างกายด้วยทั้งสองอย่างค่ะเหรออาการเป็นไงหลวงพ่อไม่รู้จักเอ๊ะชื่อโรคอย่างเนี้ยคืออยู่ๆก็นึกถึงเรื่องเดียวอยู่ตลอดเวลาเช่นนึกถึงชื่อคนกับนามสกุลก็ต้องลุกไปถามให้ได้ค่ะอ๋อมันห้ามไม่ได้หรอกก็ต้องปล่อยใช่ไหมคะ จนกว่าจะกลับมาเองคืออย่างบางคนเห็นลูกบินเลียนวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ย ใ, ใจมันเห็นขึ้นมามันซ้ำซ้ำซ้ำบางคนก็สวดมนต์ซ้ำหรือร้องเพลงซ้ำอยู่วักเดียวอย่างนั้นมันห้ามไม่ได้แต่ถ้าพอมันเป็นแล้วจิตใจทุรนทุรายขึ้นมาให้รู้ทันถ้าใจเขาเป็นกลางต่อทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังอยากรู้ชื่อคนเนีย ถ้ารู้ทันว่าใจอยากนะดูไปเลยแต่ถ้ามันเป็นทางร่างกายนะมันแก้ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมมันไปแก้ทุกอย่างได้แก้มันแก้ทุกได้แก้ทุกทางใจได้แต่ถ้าร่างกายเจ็บป่วยอะไรนี้มันแก้ไม่ได้แต่ว่าพอส่วนใหญ่คนทั้งหลายพอร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยจิตใจมันพลอยป่วยไปด้วยตรงนี้ที่ธรรมมาเข้ามาช่วยขอบพระคุณท่าน คือจะเป็นลักษณะว่าไม่ค่อยทราบว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติอยู่หรือเปล่าอะค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือกโกรดน้อยลงชีวิตก็นิ่งๆค่อนขอน้างิสงปค่ะใชจมันนิ่งเกินไปนิดนึงอย่าไปบังคับมันนะปล่อยจิตใจให้มันเคลื่อนไหวให้มันทํางานไปตามธรรมดาแล้วเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูไปเห็นกิเลสไหมแต่ละวันหรือนิ่งลูกเดียว เห็นบ้างนะคะอืค่ะเห็นกิเลสดีนะดีกว่านิ่งถ้านิ่งแล้วก็ใจมันมันไปนข่มไว้ให้นิ่งๆจะซึมซึมไปทั้งวันอย่างนั้นไม่ดีเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ใจนิ่งหรอกเราไม่ได้ปฏิบัติเอาความสงบไม่ได้ปฏิบัติเอาความสุขไม่ได้ปฏิบัติเอาดีแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตของเรานี้ชั่วคราวทั้งหมดเลย ถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยใจมันชั่วไม่ได้นะใจมันไม่ทุกข์ด้วยคนเราทำผิดทำบาปอากุศลต่างๆได้อย่างไปลักเขาไปขโมยเขาอะไรเนี่ยเพราะมันคิดว่าได้มาแล้วมันจะมีความสุขแต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้ลงไปเห็นทุกอย่างในชีวิตชั่วคราวหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวชีวิตของเราเองก็ของชั่วคราว ใ่เราจะไม่ดิ้นรนอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วค่อยๆฝึกแต่ว่าไม่ใช่เราไปบังคับให้นิ่งๆ น, นะอย่าบังคับบังคับเยอะไปนิดนึงจะเรียนถามท่านว่าถ้าถ้าคนที่ปฏิบัติอยู่นี่คือจะรู้ตัวว่าปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะไม่จําเป็นอนะบางคนสามารถรู้สึกตัวได้กิเลสไหลมาก็รู้อะไรก็มาก็รู้นะความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปก็รู้เขาไม่ได้นึกว่าเขาปฏิบัติอยู่ แต่ถ้าคนไหนคิดว่าเอาละตอนนี้ฉันจะปฏิบัติลมันจะวางฟอร์มปฏิบัติตงเนี้มักจะไม่ใช่การทำมิปัสนาส่วนใหญ่จะกลายเป็นสมถะงั้นเวลาการปฏิบัติที่ดีนะกลืนอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยดีที่สุดเลยหลวงปู่มั่นเคยสอนบอกว่าหัวใจของการทำกรรมฐานเนี่ยคือการมีสติในชีวิตประจำวัน การที่เรามีสติอยู่ในชีวิตประจาวันนะร่างกายยืเนเดินนั่งนอนไปจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราคอยตามรู้ตามดูลูกเดียวเลยเราจะค่อยๆล้าความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้จะเห็นเลยใจที่โกรธห้ามมันไม่ได้ใจมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้ใจจะโลภห้ามมันไม่ได้ใจจะเผลอไปคิดห้ามไม่ได้จะเห็นอย่างนี้วันหนึ่งเห็นเลยตัวเราไม่มีจริงๆหรอก ค่อยๆดูนะอย่าตั้งใจเยอะไปลดความจงใจลงนิดนึงถ้าจงใจเยอะแล้วใจจะแข็งๆการปฏิบัติเนี่ยถ้าใจเราแข็งๆนะภาวนาอย่างนั้นใช้ไม่ได้ถ้าใจเบาๆอ่อนโยนนุ่มนวลว่องไวเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้อาจจะมาแข็งว่าตอนมาอยู่หน้าหลวงพ่อนี่แหละ <c oughs> อยู่บ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าไม่เป็นนะคะเออ มันอย่างนี้แข็งแข็งอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะรู้สึกไหมเราเราตื่นเต้นเราก็ไปข่มมันไว้เนี่ยจะให้หายอย่าไปข่มมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอย่าไปขม่มถ้าข่มไปคุมไปนะใจก็นิ่งๆิ่งทื่อๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้ทำกรรมฐานเนี่ยใจจะตื่นเต้นให้มันตื่นเต้นไปแล้วเราตามรู้ตามดูไปเนี่ยตอนนี้ข่มน้อยกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเออต้องอย่างนี้นะตรงนี้ถึงจะถูกนะจิตอย่างตะกี้เนี่ยถูก จิตจจตรงนี้เป็นจิตที่แอบไปคิดอีกแล้วเนี่ยจิตตรงนี้เป็นจิตที่รู้นะเนี่ยตรงนี้กลับไปเป็นจิตที่คิดอีกแล้วนะตัวอออกไหมเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตที่คิดนะให้คอยรู้ไปด้วยจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงนะแป๊บเดียวก็กลายเป็นจิตคิดคิดไปแล้วเราเกิดรู้ทันมันก็กลายเป็นจิตรู้อีกะจิตคิดก็ไม่เที่ยงอย่างตอนนี้ยเป็นจิตคิดอีกแล้วหัดดูอย่างนี้นะดูอยู่สองอันนี umm ้ก like ็พอละ เป็นจิตรู้ก็เป็นจิตคิดดูไปคู่เดียวอะกรรมฐานไม่ต้องทําเยอะทําแค่นี้ก็พอเหลือกินละเนี่ยเป็นจิตคิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมไจิตจะรู้หรือจิตจะคิดเลือกไม่ได้เี่ยมันเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูแล้วเราบังคับมันไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาทํางานได้เองเแล่วเขาเป็นจิตคิดแล้วรู้สึกไหม เขาเป็นจิตคิดไม่เลิกรู้สึกไหมเนี่ยอย่างนี้หลุดออกมานะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเรื่อยๆเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่ถ้าดูช่วงไหนดูไม่รู้เรื่องแนละ้วฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบทำสมาธนะิสมาธิเราก็ไม่ทิ้งหรอกนะแต่ไม่ใช่ทำสมาธิจนกระทั่งเคลิมริปรี่ริปรี่ส่วนมาก ทำสมาธิจนลืมตัวงั้นใช้ไม่ได้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นั่นแหละธรรมะไม่ใช่เรียนเพื่อห้ามให้ได้นะเรียนเพื่อให้ยอมรับความจริงว่าห้ามไม่ได้จิตจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้จิตเขาไม่ใช่ตัวเราเราทำงานของเขาเองนี่เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้ ต่อไปใจจะคลายความยึดถือในกายยึดถือในใจลงนะหมดความยึดถือกายเป็นพระนาคาหมดความยึดถือจิตเรียกว่าพระราารอรหันต์แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมพอเข้าใจยังเ อ, อเข้าใจแล้วส่งต่อน้อมสักการพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูจะมารับลูกสาวกลับเพราะเขามาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วค่ะ ทีนี้วันนั้นมาหลวงพ่อบอกว่าให้ดูไปเรื่อยๆทีนี้วันหนึ่งพอตื่นช้าขึ้นมาเราก็ตั้งใจดูแต่ดูแล้วมันก็เลืมไปวันหนึ่งหลายครั้งเลยค่ะพอนึกขึ้นมาได้ก็ตั้งใจใหม่เงี้ยจะจะถูกไหมคะให้ลืมเยอะๆยิ่งดีลืมให้ได้ร้อยครั้งพันครั้งยิ่งดีนะลืมถ้าลืมมาละครั้งเนี่ยใช้ไม่ได้อ๋อลืมเป็นสิบๆครลืมมาละครั้งคือลืมตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตื่นมาก็ลืมไปเลยนะ จนถึงหลับนี่ยวละครั้งถ้าอย่างของเด็กผู้หญิงตะเกียคะใจไหลแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกอย่างเนี้ยเผลอวันหนึ่งเป็นพันพันครั้งเลยใจไหลแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกยิ่งดีดีกว่าใจไม่หลงไปเลยนะถ้าใจหลงไปอย่างเดียวเนี่ยเป็นแบบชาวโลกชาวโลกหลงไปเลยนักปฏิบัติจะเพ่งเอาไว้อย่างเดียวไม่ให้หลงไปเลยนักปฏิบัติแบบติดสมถะ่าเพ่งไว แต่ถ้าคนที่หัดเจริญวิปัสสนานะหลงไปก็รู้สึกเพ่งไว้ก็รู้สึกจิตเป็นผู้คิดผู้นึกก็รู้สึกจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็รู้สึก <Okay. S 1> มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงปู่เทศเมื่อสองสวันนี้มีคนมาถามบอกหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศสอนอะไรบ้างบอกสอนสองเรื่องนะเรื่องจิตกับใจเรื่องสมาธิกับฌานสอนวนอยู่สองเรื่องนี่เองจิต กระใจจิตก็คือตัวที่คิดนึกนั่นเองใจคือคนที่ไปรู้อย่างที่เมื่อกี้รู้สึกไหมมีจิตที่คิดอันหนึ่งจิตที่รู้อันหนึ่งสองอันนี้ไม่เหมือนกันจิตไปคิดก็ให้รู้ทันจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็รู้ทันจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้นะร้อนแต่ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดร้อนแต่ไม่เที่ยงค่หนูเล่นด้ ว, ว่าเอยแล้วเรานี่ถูกหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันรู้สึกหลายครั้งแล้วก็ ก็ลืมไปเดี๋ยวก็ เ, วกเออแล้วรู้สึกหน่อยรู้สึกบ่อยๆ <Okay. S 2> นะยิ่งเผลอบ่อยยิ่งรู้สึกบ่อยนะไ <Okay. S 2> หลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยเผลวันละพันครั้งก็รู้สึกได้วันละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้ง <Okay. S 2> นะขอบคุณค่ะความรู้สึ ก, กตัวกับความเผลอเนี่ยนะเขียนสมการได้นะความเผลอเท่ากับความรู้สึกตัวบวกด้วยหนึ่งก็จับ ตอนนั้นที่เคยรู้สึกว่าใจมันโล่งขึ้นมาครั้งหนึ่งอย่าเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมันจะเริ่มอยากดีแล้วก็ควานหาเลยไปกดไว้เลยค่ะอึดอัดใช่ค่ะแล้วก็จะพยายามหาว่าทํำยังไงรู้สึกตัวยังไงให้เกิดสภาวะนั้นอีกทีเพราะว่าอยากได้ให้รู้ทันว่าอยากรู้สึกตัวให้ถูกถ้ารู้สภาวะถูกต้องนั้นก็ตื่นเลยก็ถูกพอดีเป๊ะเลยเวลาเรารู้ตัวไม่เป็นนะพอเราเกิดความรู้สึกตัวแล้วเราจําได้ จําได้เราอยากได้อยากได้แล้วพยายามจะทําตรงพยายามจะทำนี่แหละหายไปเลยแล้วตอนคือพยายามจะฝึกว่าอย่างขยับนิ้วหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปที น, ทนี้ทีนี้มาสังเกตให้มันหายบ่อยค่ะนะไม่ใช่ห้ามหายนะอทีนี้มาตอนนี้มา ชอบที่จะถักไหมพรมอะค่ะแล้วก็ทำแล้วอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ถักเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ถักเดี๋ยวก็คีบอย่างนั้นได้นี่ไงแม่ชีเนี่ยถักถักแล้วก็รู้สึกอยู่เรื่อยๆใช้ได้ไปถักไหมพรมมาพระบางองท่านก็ถักไหมพรมเป็นเครื่องอยู่นะหลวพ่อเคยเห็นท่านถักอะไรต่ออะไรถักไปเรื่อยแล้วถักแจกไปเรื่อยๆแต่ว่าท่านถักทําไมบอกท่านทํากรรมฐานนะเอ ช่วงที่ผ่านมาก็เห็นถึงกิเลสทีมากขึ้นนะฮะแล้วก็เผล อ, อ, อรู้ว่าเผลอแล้วก็รู้สึกตัวกลับมาช่วงเช้าๆช่วงขับรถนี่จะบ่อยนะฮะพอช่วงทำงานนี่ก็จะน้อยหน่อยนะฮะก็จะรู้สึกอีกทีก็ตอนเดินเข้าห้องน้ำต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับดีแล้ว ที่ทำอยู่ใช้ได้นะทั้งสองคนเลยครับที่เรารู้สึกว่าใจมันเดี๋ยวดุกดิ๊กแล้วเดี๋ยวบางทีก็โล่งเย็นๆนี่เป็นอาการเป็นปกติปกติใช่ไหมเวลาเรามีสติขึ้นมานะใจเราก็โล่งขึ้นมาเยือกเย็นมีความสุขชวยแผ่ๆขึ้นมาขึ้นมาเองมีความสุขเป็นระยะระยะทั้งวันะ่นะมีความสุขคขอบคุณครับคือตอนนี้ก็ฝึก รู้กายกับรู้ใจครับบางครั้งที่รู้กายเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ เ, เรารแล้วก็แต่ว่าใจนี่มันยังไม่ค่อยยังรู้สึกว่าใจเป็นของเราอยู่ตลอดใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับอันนี้รวมถึงคนาศาสนาอื่นด้วยปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรา แต่เห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วจนเรารู้สึกว่าเที่ยงเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็เป็นเราคนเดิมเนี่ยเพราะเราไม่เห็นความสืบต่อของเขาความจริงเขาเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยถ้าเราฝึกดูจิตดูใจบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นจิตของเราขาดเป็นช่วงๆเดี๋ยวเป็นจิตที่รู้สึกตัวหรือเป็นจิตที่เผลอ เดี๋ยเป็นจิต ท, ที่โกรธเดี๋ยวเป็นจิตไม่โกรธมันจะขาดเป็นช่องเล็ก ๆ, ๆเราจะพบว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เป็นจิตแอบไปคิดทราบไหมเป็นจิตแอบไปคิดแล้วบางทีก็จะรู้สึกเพ่งตัวเองคือพยายามจะจ้องอยู่ให้รู้ทันว่าจ้องให้รู้ทันว่าเพ่งว่าจ้องรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหม ใจไหลไปคิดกรู้ว่าไหลไปคิดไม่ห้ามมันนะไม่ห้าเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมหลายแว บ, บไปเราจะมาว่าจิตตอนนี้ของผมเป็นยังไงบ้างราครับพอใช้ได้แล้วลหละแต่ว่าใจมันคอยกังวลมันกลัวไม่รู้เรื่อง <c oughs> มันพยายามจ ะ, จะตั้งอกตั้งใจจะฟังให้รู้เรื่องอะนะสังเกตไหมว่าฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังกับคิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหม ไม่ได้ฟังอย่างเดียวตั้งใจมากไปนะตั้งใจมากไปเนะี่ยตอนนี้ตะกี้เนี่ยตั้งใจน้อยลงรู้สึกไหมตอนนี้เริ่มตั้งใจแรงขึ้นอีกแล้วตอนที่บอกว่าตั้งใจมากไปตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจนะไม่เป็นไรมันละเอียดไปดูให้มันห่างกว่านี้หน่อยก็ได้นะสังเกตไหมจิตเราแต่ละวันไม่เหมือนกันดูออกแล้วใช่ไหมสังเกตไหมจิตเราวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกัน ่หัดไปอย่างเนี้ยต่อไปมันจะเห็นเลยจิตนี้ขาดเป็นช่วงๆนะเวลาที่มองเห็นเกิดความยินดีขึ้นมาได้ยินเสียงอย่างนี้เกิดดินร้ายขึ้นมาเนี่ยจิตจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยถ้าเราเห็นจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้เลยจิตไม่ได้มีดวงเดียวหรอกจิตเกิดดับสึกเนื่องกันไปเรื่อยๆใช่ใช่ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปตลอดเวลาเนี่ยถึงวันหนึ่งมันจะละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงจิตเป็นตัวเราได้ ความรู้สึกของเราอย่างจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะอย่างจิตโลภจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆให้คอยรู้ความรู้สึกไปก่อนความรู้สึกยังไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปรู้ความรู้สึกแต่ว่าจิตกับความรู้สึกนั้นเกิดร่วมกันเกิดร่วมกันแต่ถ้าเราเห็นความเกิดดับของความรู้สึกไปเรื่อยต่อไปเราจะเห็นจิตหลายๆชนิด จิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างตัวจิตโดยตรงเนี่ยดูไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างจิตไม่มีอะไรเลยมีอาการปรากฏอันเดียวคือรู้จิตเป็นธรรมชาติรู้งั้นเราอยู่ๆเราจะไปดูจิตเนี่ยดูไม่เห็นกลายเป็นเอาจิตไปดูจิตเลยหาจิตไม่เจอเราก็ดูสิ่งที่ข้างเคียงสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตก็คือความรู้สึกทั้งหลายนั่นเองในตำราปริญัติเขาเรียกว่าเจตสิก เพราะงั้นเดี๋ยวเราก็เห็นจิตโกรธเดี๋ยวเราก็เห็นความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความฟุ้งซ่านความสงบนะหัดรู้ไปเรื่อยๆหรือจะหัดรู้อีกอย่างหนึ่งก็ได้เราเห็นว่าอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดนียเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อนะเดี๋ยวตั้งใจฟังฟังแล้วก็เอาไปคิดสังเกตไหมสลับกันไปเรื่อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดสลับกันไปเรื่อย เนี่ยคือจิตที่เก udge, ิดที่ตาจิตที่เก so ิดที่หูจิตที่เกิดที training, ่ใจจิตท ah ี่เกิดที่ใจเนี่ยจิตคิดเนี่ยตอนนี้เป็นจิตที่เกิดที่ใจจิตไปคิดจิตเกิดความสงสัยเนี่ยก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยจิตที่เข้าไปแสวงหาก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะดูละเอียดนะดูยากนะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปตอนนี้เราแค่ว่าตื่นขึ้นมาวันนี้ความรู้สึกไม่เหมือนเมื่อวาน นะวันเดียวกันเช้าสายใบยเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆหัดดูแค่นี้ก็พอแล้ะต่างกันนะความรู้สึกจริงๆบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นนะอย่างความรู้สึกโกรธเนี่ยอันหนึ่งนะชื่อที่เรียกขานว่านี่คือความโกรธนี่เป็นอีกอันหนึง่งยกตัวอย่างสมมติว่ายุงกัดเราเนี่ยมันรู้สึกเจ็บใช่ไหมยุงกัดมันรู้สึก ตรงความรู้สึก น, นั่นน่ะเป็นอารมณ์ปรมามัดตรงที่เราไปเรียกว่าอ๋อความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเจ็บอย่างนี้เรียกว่าบัญญัตดนะหรือเวลาที่เรามองเห็นถามว่าตาเรามองเห็นอะไรตาเรามองเห็นแสงสะท้อนใช่ไหมพูดอย่างอภิธรรมก็คือตาเรามองเห็นสีคือแสงสะท้อนจากวัตถุนั่นเองแต่ว่าเราไม่เข้าใจตัวปรมัตดเราไม่เห็นว่าที่เราเห็นคือสีนะเราเห็นว่าที่เรามองเห็นเป็นคน เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนี่เรียกว่าบัญญัติเป็นสิ apa, ่งท <im> ี่เราคิดข <im bit> <ga> ึ <mad> ้นมางั้นสิ่งที่เราไปเห็นอย่างแท้จริงก็คือสีเท่านั้นเองหรือเสียงที่มากระทบหูเนี่ยเราว่ามีเสียงชมเสียงด่าคำว่าเสียงชมเสียงด่าเนี่ยเป็นบัญญัติเสียงจริงๆที่กระทบหูก็คือคลื่นเสียงเท่านั้นเองคือคลื่นของเสียงนั่นเองงั้นตัวรูปจริงๆก็คือตัวคลื่นเสียง แต่ว่าพอใจเราไปแปละนะว่านี่เสียงชมเสียงด่านี่เสียงคนนี่เสียงหมานี่เสียงผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายอันนี้อาศัยความจําอาศัยสัญญาเข้าไปจําว่าเสียงชนิดเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มันแปลว่าอย่างนี้บัญญัติออกมาได้แต่ว่าไม่ต้องเรียนแบบนี้นะเรียนอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนอภิธรรมมากไปกรรนวัต ก, การหลวงพ่อนะครับคือแป๊บหนึ่งนะขอโทษนะคุณเสื้อสีฟ้าเนะี้ย เมื่อกี้นี้ทําอะไร เ, ออเมื่อกี้นี้ทําอะไระไไไให้ให้รู้ทันว่าจงใจเข้าไปดูนะตรงเนี้ยเราหลงแล้วเราหลงเข้าไปดูให้รู้ว่าเรากําลังหลงเข้าไปดูอยู่ให้รู้ทันพฤติกรรมของใจเรานะส่วนใหญ่เราจะชอบเข้าไปดูข้างในแล้วก็รอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นถึงจะไปดูมันอันนี้ช้าไปตัวสําคัญคือรู้ว่าใจเราหลงเข้าไปดูเชิเชิญ นำมันสการหลวงพ่อนะคคือจากการฝึกกรรมฐานนี่ที่หลวงพ่อคือพระครูบาอาจารย์เคยสอนนะคือบอกให้เรารู้ปัจจุบันคือไม่ให้เราคิดไปถึงอนาคตหรือไม่ให้ไปรู้อดีตอะไรเงี้ยคือทำให้จิตเรารู้ปัจจุบันใช่ไหมครับแต่นี้จิตเราเนี่ยมันมีจิตคิด อนนี้ให้เรารู้ตามทันจิตว่าเราคิดอะไรใช่ไหมครับถ้าที่ลุงพ่อสอนใช่ไหมครับใ ห, ให้รู้ทันว่าจิตกํำลังคิดครับแต่นี้ถ้าเราคิดว่าจิตมันคิดแบบคิดมันเป็นคิดแบบเพ้อฝันแบบคิดที่เป็นเรื่องที่มันมันอาจจะมาเกิดขึ้นในอนาคตอะไรเนี่ยคือลุงพ่อบอกว่าพยายามให้เรารู้ปัจจุบันตรงจุดนี้ ผมผมเคยฝึกปฏิบัติแบบว่าเราเราไม่คิดเลยคือเป็นแบบอยู่เฉยๆพยายามทําจิตให้ให้ให้ว่างอะคือไม่คิดแต่ว่าจิตก็จะพยายามจะคิดอยู่อะไม่ไม่ไม่ใช่คําว่าปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่คิดนะปัจจุบันหมายถึงว่าขณะปัจจุบันนี้จิตมันทําอะไรเรารู้ทันมันไปเรื่อยๆเช่นขณะปัจจุบันนี้จิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่นะอย่างโยมสังเกตไหมฟังอาตมาเนี่ยจิตแฉลปไปคิดเป็นระยะระยะนะคิดตามที่พูดนั่นเอง เนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วเห็นไหมไหววับไปคะถ้ามรู้ปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่คิดนะถ้าจิตกําลังคิดอยู่รู้ว่ากําลังคิดอยู่คนส่วนใหญ่จะไปรู้เรื่องที่จิตคิดเพราะนี้ถ้าเราคิดเนี่ยมันจะคิดเพ้อฝันไปเรื่อยมันจะไม่หยุดนะไม่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตกำลังคิดนะจิตจะเลิกคิดความคิดจะดับทันทีเลย เออคือผมเคยคิดว่าถ้าจิตมันคิดเนี่ยบางทีมันคิดเรื่อยเปื่อยมันคิดไปเรื่อยเปื่ยยอยแบบแบบลักษณะเหมือนคนบ้าอะไรงเงี้ยคือถ้าคิดมากมันก็จะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับ<ช>ตอนนี้ถ้าเราจะรู้ทันมันบอกว่าไอ้นี่มันคิดไม่ถูกต้องนะเราให้หยุดคิดซะคือพยายามบอกไม่ให้จิตคิดไม่ได้ไม่ได้จิตเป็นอนัตตานะสั่งมันไม่เชื่อหรอกโยมสังเกตไหมเราสั่งไม่ให้คิดนะห้ามได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็แอบไปคิดใหม่ห้ามไม่ได้จริงหรอก เาั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เราไปดัดแปลงจิตท่านสอนให้เรารู้รูปนามตามความเป็นจริงอย่างจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดจิตต้องรู้สึกนึกคิดห้ามไม่ได้นะแต่ว่าพอจิตคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเรารู้ทันแล้วถ้าเราจิตระไวยขึ้นสติระวัยขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่จิตเริ่มคิดจิตไหลไปในโลกของความคิดปับเรารู้สึกเลยจะไม่มีเรื่องราวที่คิดนะ ควรู้สึกจะดับไอความคิดนั้นจะดับลงไปเลยคือหมายความว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ติดตามจิตมันคิดพอเรารู้ทันปั๊บมันก็จะหยุดคิด ใ, ใช่ไหมครับแค่รู้ทันว่าจิตคิดนะนี่คือกําหนดไม่ให้มันคิดเองใช่ไหมครับคือเราจะเลิกคิดเองอแล้วถ้ามันไม่หยุดนะฮะนี่แสดงว่าเรายังกําหนดไม่ไทันจิตเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ฝึกให้หยุดนะ เ, ออเราฝึกเพื่อจะเห็นความจริงว่าจิตนี่เป็นของไม่เที่ยงรู้สึกไหมจิตคิดทั้งวันทั้งคืนไม่เที่ยง รู้สึกไหมจิตมันไม่อยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งนานๆเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตเป็นของบังคับไม่ได้นี่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์นะไม่ได้เรียนเพื่อให้จิตเลิกคิดหรอกดูออกไหมจิตทํางานตลอดเวลา ครับตรงจุดนี้คือผมก็คิดอย่างที่หลวงพ่อบอกคือว่าบางครั้งเนี่ยเราตามจิตไปเนี่ยปรากฏว่าจิตมันเกิดคิดไปเรื่อยเปยื่อยเราก็รู้แต่มันก็ไม่หยุดเนี่ยแล้วส่วนนะี้คือเราฝึกยังไม่ถึงที่หยุดไ ม, ไม่ได้เพราะจิตมีหน้าที่คิดจะไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรืออดีตก็ได้ใช่ไห ม, มใช่คําว่ารู้ปัจจุบันไม่ใช่แปลว่าห้ามคิดอนาคตนะพ<ม>ระพุทธเจ้าเนี่ยวางแผนนะตอนเช้าเช้ามืดเนี่ยวางแผนแล้ววันนี้จะไปสอนใคร กำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ววันนี้จะสอนนายคนนี้จะสอนที่ไหนเนี่กำหนดสถานที่ด้วยเวลาไหนจะไปหาเขาจะจัดฉากแบบไหนเช่นเดินผ่านไปให้เขาถามหรือเดินไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยหรือสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาเช่นจะไปเดินล่อให้พระองคุลีมานไล่นี่ท่านวางแผนนะไม่ใช่ว่าท่านไม่คิดอนาคตนะท่านคิดแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไปสอนเขาจะสอนด้วยธรรมะข้อไหน ท่านรู้ล่วงหน้าเลยนะว่าคนนี้ต้องสอนด้วยธรรมะข้อนี้สอนแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นยอดนักวางแผนเลยนะครบของกระบวนการวางแผนหมดเลยกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะกำหนดวิธีการนะแล้วก็เข้าไปจัดการแล้วมันจะได้ผลอะไรเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำว่าปัจจุบันไม่ใช่แปลว่าห้ามวางแผนหลายคนเดยวคิดว่าชาวพุทธเนี่ยวางแผนงานไม่ได้ไม่ใช่ ชาวพุทธต้องวางแผนงานนะต้องคิดเป็นไม่ใช่ไม่คิดเราไม่ได้ฝึกใจให้เลิกคิดแต่เราฝึกใจให้เป็นอิสระจากกิเลสต่างหากจิตใจนี้พอคิดไปคิดไปกิเลสเข้าแทรกนะเพราะเราไม่รู้ทันแต่ถ้าใจเราคิดปั๊บกิเลสแทรกเข้ามาเรารู้ทันนะต่อไปเราจะคิดได้นะแต่กิเลสไม่แทรกพระอรหันต์ก็คิดนะพระอรหันต์ไม่ใช่ว่านั่งเฉยเฉยไม่คิดอะไรทั้งวันไม่ใช่ใจใจนี้มีธรรมชาติรู้สึกนึกคิด เรไม่ได้ฝึกให้มันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติดั้งเดิมของมันไปแล้วในข้อความที่ว่าบอกทําให้จิตว่างนี่หมายความว่าไงครับจิตว่างนะเราไม่เอานะอย่าเพิ่งทําเราให้รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปก่อนพอเราเลิกยึดถือแล้วเขาจะว่างถามว่าว่างจากอะไรว่างจากกิเลสนะว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวตนไม่ใช่ว่างเปล่าหลายคนไปอ่านเรื่องจิตว่างมานะ อ่านมาจริงๆคําว่าจิตว่างหรือสุญญตาอะไรเนี้ยในฝ่ายเถราวาทไม่ค่อยมีมันไปมีมากในฝ่ายมหายานนี้ถ้าอาจารย์พุทธธาตเอามาสอนสอนเรื่องสุญญตาเราหลายคนเลยปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่สุญญตามุ่งไปสู่ความว่างบางแห่งเปิดสํานักสอนทําจิตให้ว่างนะแล้วก็พอว่างแล้วบอกเป็นพระอรหรันย่าจะหันไปหันมาเนี่ยสำนักคุณแห่งเนี่ย สามีก็พระรหันธ์ภรรยาก็รหันธ์นะหันไปหันมาตีกันเลยพระรหันธ์นะ <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทําจิตว่างท่านสอนบอกกายานุปัสสนาให้รู้กายเวทนานุปัสสนารู้เวทนาจิตตานุปัสสนารู้จิตธรรมานุปัสสนารู้ธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสสนานะหลวงพ่อไปอ่านพระสูตรมหายานนันึงแต่เดิมคิดว่ามหายานนี้ชอบสอนแต่สุญญาตาเรื่องอื่นไม่สอน มีพระสูตรมหายานอันหนึ่งชื่อมหายานไวยปุญญะธารณีสูตรชื่อยาวเฟื้อยเลยนะมหายานไวยปุญญะธารณีสูตรพูดถึงพระองค์หนึ่งชื่อพระธรรมาพระธรรมาเนี่ยมีความเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดศีล ส, สมาธิปัญญาไม่สำคัญบารมีหประการของของมหายานมีบารมีหนะของเราบารมีส0 คือบารมีทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องสร้างสมศีลทานศีนภาวนาอะไรไม่ต้องทําหรอกถ้ามีปัญญาอันเดียวเห็นกายเห็นใจว่างเปล่าแค่นี้ก็บรรลุทำแล้วในสูตรนี้พูดเรื่องพระที่หหลงผิดตรงนี้ชื่อพระธรรมมาบอกพระธรรมมาหลงผิดแล้วเที่ยวไปสอนคนบอกว่าไม่ต้องทําทานถือศีลไม่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ต้องภาวนาไม่ต้องสร้างคุณงามความดีทั้งหลายหรอกทําจิตให้ว่างลูกเดียวเลย ถ้าเข้าถึงสุญญาตาแล้วก็คือสําเร็จล้ว <S <S นี่เป็นความเห็นผิดนะนในพระสูตรมหายาณสอนไว้เลยนั้นไม่ใช่มหายานสอนให้ทุกคนทําสุญญาตานะเขาสอนให้สร้างบารมีต่างหากสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแนละ้ววันหนึ่งปัญญาเต็มเปี่ยมแก่รอบขึ้นมาก็าจะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากความมีคนมีสัตว์ไม่มีคนมีสัตว์นะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลส งั้นไม่ใช่น้อมใจเข้าสู่ความว่างการน้อมใจเข้าสู่ความว่างมันคือการทําสมะถะกรรมฐานชนิดหนึ่งนะเรียกว่าอากาสานัญจายตนะน้อมใจให้ว่างเอาก็ว่างว่า ง, ว, างว่างไปเรื่อยนะไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางแล้วในพระสูตรมหายานนั้นบอกว่าพระธรรมมาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆนะจนมาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยก็เรามาเสวยพระชาติสุดท้าย คือพระพุทธเจ้าเหล่านี้เองคือพระพุทธเจ้าเหล่านี้แต่เดิมไปสอนบอกว่าทุกอย่างว่างไม่ต้องสร้างคุณงามความดีอบบนี้อันนี้สูตรของเขานะไม่ใช่สูตรของเราแล้วบอกว่าอากุศลอันนี้ทําให้ท่านต้องมาเกิดอุบัติในโลกอันนี้ซึ่งอีกสัตว์เนี้ยอินทรีย์อ่อนมากเลยท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการสอนมากกว่าพระพุทธเจ้าอื่ น, อ, น, อ, นอีกหลายองค์นี่สูตรของเขานะของเราไม่มีสูตรเนี้ย แต่รวมความก็คือกระทั่งมหายานนะก็ไม่ได้สอนให้ไปดูความว่างทางฝ่ายเทราวาสก็ไม่มีสุญญาตา น, า, านุปัสนาสติปัฏฐานไม่มีทั้งสองข้างเลยนะอันนี้เป็นความเข้าใจเข้าใจเคลื่อนไปในมหายานที่เรียกว่าสุญญาตาทิฏฐิสุญญาตาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเกี่ยวกับสุญญาตาสุญญาตาเป็นผล ที่จิตไปประจักษ์เข้าเมื่อจิตพ้นจากความยึดถือในขันแล้วไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยพอเรียนรู้แจ่มแจ้งวางขันลงไปก็จะเข้าถึงสุญญตาเราจะเห็นโลกนี้ว่างนะว่างจากคนว่างจากสัตว์ว่างจากเราจากเขาว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจะเห็นกระบวนการทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายทั้งปวงปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเห็นนะอย่างเห็นคนนี้ดีขึ้นเลวลงอะไรนี่เห็นเห็นแต่ทั้งหมดว่างเปล่าจากความรู้สึกว่านี่เป็นคนนี้เป็นสัตว์ถามว่าแล้วมีความเมตตาการุณาไหมมีมีความเมตตาการุณาไม่ใช่ว่างแล้วแห้งแล้งนะไม่ใช่ว่างแล้วใจแห้งแรงใครจะถุกจะเป็นจะตายก็ช่างมันเพราะว่างเปล่าไม่ใช่นะอส่งมาข้างหน้านิด น, นึง เอาแมวก่อนแมวอค่ะคือคือเมื่อก่อนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยขี้โมโหเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันวันนี้ก็สังเกตว่าจริงๆมันมีตัวโทสะหลายหลายรูปแบบที่อยู่ข้างในอะค่ะแล้วมันก็กวนมันกวนๆอยู่ข้างในค่ะมันัวมนเล็กๆแล้วมันไม่หายไปค่ะแล้วมันเกิดตลอดวันนะ กระทบอารมณ์นี้ก็มีโทสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีโทสะไดท้ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเราเป็นพวกโทสะจริตเราโทสะเยอะงั้นแมวเอาโทสานี่แหละมาทากรรมฐานจิตมีโทสารู้ทันจิตไม่มีโทสะรู้ทันดูไปเรื่อยๆจะเห็นมันเกิดดับตลอดเวลาดูได้นะดูไป แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจิตมันวอกแวกมากเลยค่ะให้รู้ว่าวอกแวกไปไม่ห้ามมันเราเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเรียนไปจนวางความยึดถือกายยึดถือใจได้แล้วก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์อีกเราไม่ได้เรียนเพื่อให้จิตนี้ดีนะไม่ได้เรียนให้จิตมันเที่ยงให้จิตมันสุขให้จิตเป็นตัวเราที่บังคับได้ จิตของพระราหันก็ไม่เที่ยงจิตพระราหันก็เป็นทุกข์นะจิตพระราหันก็เป็นอนัตตานะแต่พระราหันไม่ยึดถือจิตอะไรถึงได้พ้นทุกข์ตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะขันเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยขันไม่ใช่เป็นตัวสุขเพราะงั้นจะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็วางขันะจิตก็ทุกข์ไปนะแต่ไม่มีใครทุกข์เลยรวบกวาแล้วมีแต่ความสุขล้นล้วนเลยคราวนี้ แมวหลงไปแล้วแมวใจมันฟุ้งซ่านนิดนึงทำเพิ่มสมถานิดนึงนะสมถามีประโยชน์นะอย่าทิ้งหลายคนบอกว่าดูจิตไม่เอาสมถะใช้ไม่ได้นะดูจิตมันก็ต้องมีสมถะบ้างถึงจะไม่ได้ฌานสมาบัตินะก็ต้องได้ความสงบบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีหลวงพ่อเมื่อก่อนก็มีความเห็นผิด ว่าเราจเจริญปัญญารวดไปเลยก็พอล้วเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆดูจิตดูใจไปเรื่อยไม่เห็นต้องทําสมาธิเลยความจริงเอียนสมาธิทํามาตั้งแต่เจ็ดขวบทําอยู่ยี่สิบสอปีทําแต่สมาธิขึ้นมีปรั ส, สนาไม่เป็นพอมาทำนี้ปรัชสสนาสุดตรงเลยไม่เอาสมาธิแล้วรู้สึกเนี่ยทาให้เราเนิ่นช้ามาตั้งยี่สิบสอปีตามดูจิตดูใจไปเรื่อยใจมันก็เข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปมันเข้าใจไปถึงขีดหนึ่งมีขีดจํากัดละ เมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะทำไมมรรคผลนิพพานไม่เกิดขึ้นในเบื้องสูงไม่พ้นทุกไปสักที<ม>เกิดสงสัยขึ้นมาตอนนั้นหลวงปู่ดูลก็ไม่อยู่หลวงปู่เทศก็ไม่อยู่นะไปถามอาจารย์มหาบัวตอนนั้นท่านยังอยู่ข้างบนนะตอนฉันอาหารฉันที่ศาลาไม้ด้านบนเข้าไปถึงก็ไปกระแซะแกกระแซกเข้าไปข้างหลังท่านไปบอกขอโอกาสครับ ขอถามท่านหันมามองหน้าแว บ, บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างรออยู่นี่ก่อนท่านก็รับแขกเล่ไปชั้นอาหารเสร็จแล้วหันกลับมาว่างไงบอกผมดูจิตอยู่ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์บอกว่าการปฏิบัติมีแค่นี้เองแค่รู้นี่เองทำไมมันไม่ผ่านทันทีท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านจุดนี้มาด้วยตัวเราเองให้บริกรรมกากับลงไป ให้ฟังท่านตอนนั้นไม่เข้าใจนะว่าท่านให้บริกรรมทําไมไม่เข้าใจเลยกลับมาบ้านนะค่อยๆมาสังเกตอ๋อใจเราที่ว่ามีสติรู้รู้จิตรู้ใจตัวเองตลอดเวลาไม่รู้จริงหรอกจิตมันกระจายตัวออกไปไปรู้อยู่นอกๆไปรู้อยู่ข้างหน้าเนี่ที่ไปรู้ข้างหน้านี่นะเพราะว่าครั้งหนึ่งไปเข้าไปข้างในแล้วหลวงปู่สิมท่านจวกเอาบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่เลยออกมาอยู่นอกๆไม่ยอมเข้าข้างในนะ แถมทิ้งสมถะด้วยเนี่ยใจมันเลยไปอยู่ร อ, รอบๆ อ, อยู่ขอบๆพวกเราหลายคนเป็นนะที่หลวงพ่อไล่ไล่ทุบไล่เตีเ่ยวพอไปเห็นทันแนละอ๋อที่ท่านให้บริกรรมเพราะว่าใจเราไม่ตั้งมั่นพอนั่นเองกลับมาทําสมถะนิดหนึ่งใจตั้งมั่นขึ้นมานะตามรู้ตามดูได้ก็เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นลําดับลําดับไปงั้นสมถะก็สําสคัญนะอย่าทิ้งแต่ไม่ใช่ทําสมถะให้เคลิ้ม ส่วนใหญ่ชอบทำสมาธิให้เคลิมเคลิมนะรู้สึกเคลิมได้ที่เรียกว่าสงบนะเรียกว่าสลบต่างหากละนะ่ะไม่ใช่สงบนะนะโดยเฉพาะพวกที่ชอบเข้าวัดนะค่ามามก็เปิดเทปฟังไปนั่งสมาธิกันนะนั่ง <c oughs> <c oughs> สมัยหนึ่งหลวงพ่อยังอยู่กับหลวงปู่เทศหินหมักเป้งสมัยที่หลวงปู่เทศอยู่นะคนแน่นเลย ตอนค่ำๆนะไปนั่งสมาธิกันเต็มโบสถ์เลยล้นออกมานอกโบสถ์พวกที่อยู่ข้างนอกนั่งก็มีเดินจงกรมก็มีเดินอยู่ทั่วๆไปหลวงพ่อก็เข้าไปดูเอ๊ไม่เห็นมีใครจเจริญสติเลยนะนึกเอานะไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยนี่มันนั่งเราก็เคลิมเคลิมนั่งทําแต่ความสงบได้แต่สูงสุดได้แค่สมถะแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่ ส, สมาสมาธินะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นโมหะสมาธิใจซึมนึกนึกินทาเข้าในใจนะอ พอเช้าเข้าไปกราบหลวงปู่นะหลวงปู่มองแวบๆแบบท่านก็บอกเปลยๆบอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้ว <c oughs> คนก็งงนะเอ๊ะนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยๆนะหลวงปู่บอกว่าเขาไม่ปฏิบัติกันแล้วฟังแล้วงงๆความจริงก็คือไม่ได้เจริญสตินะั่นเองถ้าทิ้งสติคือทิ้งการปฏิบัติเลยนี่ถ้าจะทําสมาธิไม่สมาธิเคลิมนะสมาธิต้องมีสติกํากับ ทำใจให้สบายก่อนหายใจออกไปก่อนอย่าหายใจเข้าก่อนนะถ้าใครเล่นอนาปานาสติต้องหายใจออกก่อนหายใจออกก่อนจิตจะผ่อนคลายหายใจเข้าจิตจะตึงเครียดหายใจออกให้สบายไปแล้วก็ค่อยๆรู้ไปนะมีสติอย่าให้เผลออย่าให้ลืมตัวให้รู้อยู่ที่ใ น, นอารมณ์มันเดียวคือลมหายใจไปเรื่อยๆรู้ไปใจมันจะสว่างขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาความสว่างนะั้นะมาเป็นนิมิตนิมิตความสว่างเนะี่ย เราไปรู้นิมิตนี่แทนลมนะจิตที่จะเข้าอัปปนาเนี่ยมันเอาอุคหานิมิตเอาปฏิภาคนิมิตมาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาตัวบริกรรมนิมิต ด, ดูบริกรรมนิมิตคืออารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นที่เราใช้เช่นหายใจเข้าหายใจออกเงี้ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอมันเป็นความสว่างขึ้นมานะเราก็รู้ความสว่างนี่ได้อุคหานิมิตเสร็จแล้วใจมันจะรวมเป็นดวงขึ้นมาเป็นดวงสว่างนะยอดได้ขยายได้ อยากอยากรู้อยากจะเห็นอะไรแล้วเราส่งอันนี้ส่งแสงอันนี้ไปดูอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องของสมถะนะเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้นะหลวงพ่อขี้เกียจนั่งแก่เสียเวลาด้วยเสียเวลาเยอะเราแค่แต่ละวันไหวพระส่วนมนนะทำพุโทโธรู้ลมหายใจอะไรให้ใจได้พักผ่อนใจพักผ่อนแล้วก็หัดสังเกตสภาวะเรื่อยๆพุโทโธแล้วหรือหายใจแล้วใจหนีไปรู้ทันใจเข้าไปเพ่งรู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกรู้ทันหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆ มันจะเป็นการฝึกซ้อมที่จะดูสภาวะสติจะเกิดในชีวิตประจาวันได้เยอะจะแตกหักกันก็ในชีวิตประจาวันนี่แหละอ้าวในยนตก็ตอนนี้ก็พยายามดูอยู่นะคะคือคือเห็นอยู่ว่าจิตมันทำงานทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมใจมันซึมค่ะ <c oughs> จิตเป็นเสื่องซึมก็รู้ว่าซึมนะ <c oughs> มันมันห้ามไม่ได้น ะ, ะมมนเป็นของมันเองเห็นไหมหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามนะบอกว่าให้รู้ว่ามันซึมไม่ได้บอกว่าห้ามซึมนะค่ะไม่ยอมพลาดนะ <c oughs> ลูกศิษย์วันนี้นะพูดอะไรผิดไม่ได้นะเอาไปอ้างสอนพวกคนเมืองเนี่ยต้องระวังมากเลยเจ้าเล่ห์แสนกลียที่มาหลอกถามเนี่ยจะเอาคําตอบเราไปตีกับคนก็มีนะธรรมะเนี่ยเวลาอ้างทีละประโยคนะั้นมันทะเลาะ ก, กันได้ อ้างพระไตรปิฎกฉบับเดียวกันนี่แหละอ้างควรละวักนะก็นั่งเถียงกันได้นะเคยได้ข่าวในเน็ตเนะี่ยทะเลาะ ก, กันแต่ละคนก็อ้างหลวงพ่อประโม้นะอะ่มันทะเลาะ ก, กันได้รู้สึกไปใจยังซึมค่ะเนี่ยรู้สึกไหมบังคับแล้ว บางทีมันทําอะไรไม่ได้เลยนะคะรู้สึกว่าบางครั้งมันเผลอนานนี่ก็เลยใช้พล้วรู้สึกไหมนี่ต้องพูดน้อยๆเวลาพูดแล้วจะเผลอเร็วเผลอแรงจะอินน่ะเพราะฉนั้นคลุกคลีน้อยหน่อยทำงานไปดูใจไปทํางานบ้านก็ได้นะอยู่ห้องสมุดเช็ดกวาดไปด้วยก็ได้แล้วก็ดูใจของเรา เนี่ยขมไว้ละรู้สึกไหม <c oughs> อย่าไปขมมัน <c oughs> อ่ า, อาให้พูดเนี่ยกลุ้มใจตาย <c oughs> คือคือบางทีมันทําอะไรไม่ได้ก็เลยใช้พูดโธมีช่วงที่ไม่สบายอะคะ่ะเราเห็นเลยว่ายินยแบบล้วรู้สึกไหม <c oughs> รู้ก่อนรู้แล้วค่อยพูดเอออ่าพูดได้ <c oughs> คือตอนนั้นไม่สบายแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นคือถ้าหลับตาก็จะเห็นสัตว์เยอะๆเลยคะ่ะ รู้สึกว่าแย่แล้วตอนนั้นก็เลยมันก็เลยทําอะไรไม่ได้รู้ก็รู้ไม่ได้ก็เลยภาวนาพุทโธทีๆไปเลยพุทโธไว้นะพุทโธเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเลแล้วพอจิตมันเริ่มสงบลงเราก็ปล่อยเลิกใช่ไหมคะอืแล้วก็ค่อยมาดูต่อคือเวลาจิตสงบนะพุทโธจะหายไปเองเราะฉะนั้นเราก็พุทโธของเราได้ทั้งวันน่ะพุทโธพุทโธไปแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้ใจนิ่งๆนะ ไม่ได้พุโทโธเพื่อบังคับใจค่ะ <Okay. S 1> พุโทโธเองเป็นแค่เหยื่อตกปลาใจของเราคือปลาพุโทโธก็อแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรานั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเราพุโทโธแล้วเราจะคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธไปจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันนะพุทโธพุทโธจิตสงบก็รู้ทันนะพุทโธแล้วจิตเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็พุทโธกํากับไว้ย่างนั้ค่ะ ใช้ได้ที่ทำอยู่เยใช้ได้แล้วอ่ะป้อ ม, อมออตอนนี้ปมพอทำในรูปแบบอะค่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับตั้งใจเกินไปแล้วมันจะเกรงมากๆมันพยายามละให้รู้ทันนะเวลาอย่างเราจะปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปวางฟอร์มก่อน อย่างหลายคนจะเดินจงกรมนะพอเดินไปถึงหัวทางจงกรมเริ่มวางฟอร์มนะหพ่อต้องเตท่าก่อนวางฟอร์มทางร่างกายแล้วก็ต้องดัดแปลงทางใจก่อนเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแล้จะเดินไปด้วยอย่างเงี้ยใจนิ่งๆเงี้ยนะมันได้แค่นั้นอะ่ะะที่จริงแล้วการปฏิบัตินะั้นยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับะไม่ใช่บังคับเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยความรู้สึกตัว ถึงนอนด้วยความรู้สึกตัวนะฝึกไปชนานาญกระทั่งนอนหลับเนี่ยรู้สึกรู้ยังทำได้เยอะนะลูกศิษย์วันนี้ใครบอกว่าดูจิตแล้วรู้กายไม่ได้ไม่จริงนะกระทั่งนอนหลับเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยใจมันซึมมากไปแล้วไม่ทราบว่าระหว่างที่ไม่คือมันยังสับสนระหว่างการตั้งใจที่จะทากับ การที่ทำโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยค่ะเบื้องต้นต้องตั้งใจไปก่อนเบื้องต้นต้องตั้งใจนะแล้วก็หัดรู้สภาวะไปพอรู้สภาวะได้มากรู้สภาวะได้แม่นสติเกิดโดยไม่ตั้งใจแล้วท่านี้เพะฉนั้นทุกคนเบื้องต้นก็ต้องตั้งใจไปก่อนต้องทำสมาธิต้องเดินจงกรมนะไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไปจิตใจเราแสสายไปเรารู้ทันจิตสงบรู้ทัน จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตเป็นยังไงรู้ทันไปเรื่อยๆรู้รูไปนะใจค่อยรวมเข้ามาสงบพอสงบเสร็จแล้วออกมารู้ต่ออีกพอสงบพอสมควรแล้วใจจะเริ่มไปคิดใหม่แล้วก็รู้ใหม่เนี่ยหมดเวลาปฏิบัติแล้วมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นเองนะเช่นเราเดินเดินอยู่ใจลอยแวบไปรู้สึกตัวขึ้นมาว่าใจลอยล้วคุยกับเพื่อนความโกรธเกิดขึ้นปั๊บเห็นเลยความโกรธฟุ้งขึ้นมา แล้วมันจะเกิดเองแล้วตรงนี้เพราะงั้นเบื้องต้นก็ต้องซ้อมเ อ, อไว้ก่อนมีรูปแบบนะทิ้งไม่ได้นะเรื่องสมาธิเรื่องอะไรอ้าวเบอร์สามสิบสามพอรู้สึกตัวก็จะติดเหมือนกับเพง้งค่ะหลวงพ่ อ, อ, อพอรู้ปุ๊บ ก, ก็จะความรู้สึกไหมสึมน้อยกว่าเมื่อกี้จะออให้รู้ลงไปความเปลี่ยนแปลงนะ มันที่หลวงบอกหลวงพ่อแล้วคะ่ะรายงานไม่ค่อยเป็นนะคะอะไรไม่เป็นนะส่งการบ้านไม่ค่อยเป็นนะคะไม่เป็นไรวัดหลวงพ่อแนละ้วไม่สนใจคําพูดหรอกค <c oughs> พูดเพ้อแค่ไหนนะข้างในมันไม่เป็นอย่างไงก็ใช้ไม่ได้หลายคนเตรียมมานะเกือบทุกคนแหละเวลาจะเข้ามานั่งในห้องนี้ต้องเตรียมก่อนว่าถ้าถูกถามจะพูดอะไร <c oughs> พูดแบบนี้คําพูดต่อไปนี้ห้ามใช้ <c oughs> ถ้าพูดออกมาจะสะดุง้ง <c oughs> แล้วก็เอ้ยเ้ ย, เ, ยเปลี่ยนเปลี่ยน <c oughs> เช่นคำว่าพยายามถ้าใครหลุดคำว่าพยายามออกมาจะรีบเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยอุตสารซ้อมไวแล้วนะยังหลงลกมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าตัวเองจะรู้ทุกเยอะค่ะเพราะเมื่อก่อนก็คิดว่าน่าจะทุกนะแต่ทำไมไม่เี้าใจเมื่อมาทิตยเที่ค่านม้ค่ะรู้สึกว่าตัวเองจะรู้ทุกเหอะค่ะเมรนะเมื่อก่อนก็คิดว่าน่าจะมุกนะแต่เห็มไม่เ่นซึม อย่าจงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติเยอะไปเวลารู้แล้วจะติดจงใจแล้วนนลวดความจงใจลง ค, ค่ะอะส่งกันบ้านไม่เป็นหลวพ่อเลยส่งให้อคุณวิญญาดาอะเอ่อตอนนี้พอลอยแล้วก็จมค่ะแล้วก็เห็นว่าเจตนาที่เห็นเจตนาชัดๆที่จะเข้าไปยุ่งโอ้ดีฮะดีแล้วเพราะว่ารู้สึกแล้วก็เออ ตอนแรกคิดว่ามันไม่ถูกตัวคิดนะคะแต่เสร็จแล้วจิตเขาก็ยังคงคงจมคงคงพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปก็เห็นการพุ่งอันนั้นอ่าดีทแล้วก็เวลามีคลื่นมากระทบเมื่อกี้เนี่ยมันหดหูแบบแล้วก็พอรู้เห็นว่ามันใจที่เข้าไปดูเนี่ยมันลอยอยู่ขับรถมาหน้าวัดเนี่ยค่ะแล้วมันก็หายไปคลื่นที่มากระทบก็หายไปใช่ดีแล้วเราอย่าสนใจคลื่นภายนอก คลื่นภายนอกนะคนมันส่งตลอดเวลานะผีก็ส่งน ะ, ะ, ะหมูหมากาไก่มันก็ส่งคลื่นตลอดเป็นแหล่งปล่อยพลังงานทั้งนั้นอ<ต>่ะเราปล่อยออกมาแล้วเราไปจับข้าเราปล่อยไม่เป็นนะลําบากเจ้าค่ะแต่ยังยังเห็นตัวห่วงอ่นนะคะ <ừ> พอเห็นทุกเห็นที่สิ่งคลื่นที่ส่งมามันเป็นทุก์เนี่ยมั น, นะจะแวบเข้าไปดูแวบเข้าไปดูเ <ừ> นี่ยนะคะแต่เมื่อกี้เห็นตัว ตัวลอยที่ว่าเวลาหลกส่งใจไปดูในกระจกเนี่ยคือตัวลอยเป็นแบบลอยใช่ไหมจ๊ะคะตอนนี้มีอะไรที่ต้องไม่ต้องทำอย่า ง, <อ>งที่องค์ไม่มาหรือองค์องค์อยู่กรุงเทพจ้ะค่ะเมื่อห้าวันที่แล้วเนี่ยเอาลูกมาพักฟื้นที่นี่ก็เห็นคลื่นที่เข้าไปแทรกแซงป ร, ป, รประคับประคองกายเขาดูแลเขานะจ๊ะค่ะแล้วก็ เหมือนกับเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยลูกก็เหมือนลบรอยคลื่นที่ที่ไปคลื่อนที่ไปเมาเขาเนี่ยหายแล้วพออยู่คนเดียวลูกก็รู้สึกเหมือนตัวกําลังลบไปรอยพวกนั้นออกได้ไหเจ้าค่ะได้ได้อย่าไปเอาไว้ก็แล้วก <c oughs> ันช่วยส่งต่อโยมคนไหนไม่รับนะก็ะช่วยส่งไปครับนะมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ อหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายแผ่นเหมือนกันคะ่ะแล้วก็แต่ก่อนเนี้ยหนูเคยปฏิบัติแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยเพ่งนะคะแล้วก็พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเราควรจะต้องหัดมาเป็นผู้รู้คือไม่ต้องกลัวความเผล่นะคะหนูก็พยายามปฏิบัติอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่พอหนูพยายามที่จะคือพยายามจริงๆอะนะคะพยายามที่จะดูจิตหรืออะไรก็ตามเนี้ย บางทีหนูกม็มันถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูกายเนี่ยมันจะง่ายคือแบบมันจะหยาบหยาเพื่อนไหวอะไรเนี่ยรู้ได้แต่พอจิตปุ๊บเนี่ยก็จะงงๆเพราะบางทีเนี่ยสมมติหนูนั่งนั่งอยู่นะคะจะรู้สึกหนักๆที่ที่ตรงกลางอกอะคะ่ะพอรู้หนักปุ๊บมันก็โล่งไปอแล้วหนูก็จะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าไอ้ที่หนักๆเนี่มันเป็นกายหรือมันเป็นจิตไม่ใช่กายไม่ใช่จิต <laughs> นะที่หนั <laughs> หนกๆเป็นแค่วิบา <laughs> กของมันเป็นผลหลังจากที่จิตไปทํางานแล้วทํากรรมแล้ว เช่นเวลาเราใจลอยไปพอเรารู้ว่าใจลอยแล้วเราไปดึงคืนมานะมันจะมาหนักที่นี่หรือเวลาเราไปโกรธใครมานะพอเลิกโกรธไปแล้วไอ้นี่ยังหนักไปอีกพักต้องรับวิบากรับผลของมันแก้ไม่ได้ตัวนี้ก็คืออันอันนี้ก็คือหนูก็รู้ในปัจจุบันที่หนูรู้ได้แค่นั้นแต่จริงๆก็คือควรจะรู้ตั้งแต่ว่ามันตอนโกรธรู้เท่าที่รู้ได้มันไม่มีคําว่าควรนะไม่มีคําว่าต้องค่ะมันรู้ได้แค่นี้มันก็แค่นี้แหละ ถ้าเราจงใจพยายามจะรู้ให้ละเอียดเราจะเครียดถ้าเราเครียดนั้นเราภาวนาไม่ได้ละให้รู้ไปอย่างสบายสบายอย่างใจสงสัยทราบไหมสงสัยแวบขึ้มารู้ว่าสงสัยแล้วก็จะมีสงสัยอยู่บ่อยๆแล้วก็รู้ทันความสงสัยอย่าไปคิดหาคำตอบให้มันให้รู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเดี๋ยวพอคิดใหม่นะก็สงสัยใหม่รู้ลงไปอีกความสงสัยก็ดับอีก เราดูไปจนเห็นกระทั่งความสงสัยเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปการเรียนกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแตกฉานในธรรมะ ม, มากมายเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราเนี่ยล้วนแต่ดับไปทั้งสิน้นถ้าเกิดขึ้นมาแล้วล้วนแต่ดับทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นแค่ว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วความสงสัยก็ดับไปเห็นเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องหาคําตอบมาให้มันนะมันจะหลอกเรา กิเลสทุกตัวจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวเพราะอะไรถ้าเรารู้สึกตัวมากๆเข้าวันหนึ่งเราจะชนะมันเพรานัมันจะต้องพยายามหลอกล่อให้เราลืมตัวเองซะครูบาอาจารย์อาจาร์มหาบัวบอกว่าหัวหน้ากิเลสซ่อนอยู่ในใจเราเพราะฉนั้นมันจะกลัวมากเลยที่เราจะย้อนมาเห็นจิตเห็นใจตัวเองเดี๋ยววันหนึ่งมันเราจะไปเจอว่ารังโจรอยู่ในใจเรานี่เองเพราะฉะนั้นมันจะผลิตกิเลสตัวเล็กตัวน้อยออกมาหลอกล่อเรา คล้ายๆเราจะเข้าบ้านเราอยู่แล้วเดินมาถึงหน้าบ้านเราแล้วหัวหน้าโจลยังอยู่ในบ้า น, นมันกลัวเราเข้าบ้านนะมันก็ให้ลูกน้องวิ่งออกมาคนหนึ่งวิ่งหนีไปเราก็มัววิ่งตามไปนะทั้งนี้คนของเกลี้ยงเลยเ น, นี่ยกิเลสมันจะใ ช, ใช้วิธีเดียวกันนี้พอความสงสัยฝุดขึ้นมาเราจะวิ่งไปคิดเลยใช่ไหมเราลืมดูจิตดูใจตัวเองเราทิ้งละเราทิ้งบ้านเราไปละวิ่งตามกิเลสไปพอความโกรธเกิดขึ้นเราก็วิ่งไปดูคนที่เราโกรดดูซิมันจะทําอะไรบ้าง สังเกตไหมเราโกรธใครมากเราก็คิดถึงคนนั้นมากแทนที่เราจะรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่ความรักเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักนึกออกไหมเราลืมดูว่ากำลังรักอยู่ความสงสัยเกิดขึ้นเราจะไปคิดหาคำตอบลืมรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่กิเลสทั้งหมดเลยจะให้เราลืมตัวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลมันกิเลสเกิดขึ้นมาดูลงไปกิเลสเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะ เราเป็นแค่คนดูไม่ห้ามมันนะไม่ได้ต่อต้านกิเลสแต่ก็ไม่หลงตามมันไปไม่ต่อต้านมันไม่วิ่งตามมันไปเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมค่ะคิดอยากจะถามค่ะให้รู้ทันความอยากดูซิความอยากเที่ยงไม่เที่ยงดูอย่างนี้ความอยากเห็นไหมกดไม่ได้ไ <ป S 1> เห็นไมหนมเป็นอยากพูดดูออกไหมมันมีแรงดันแน่นๆขึ้นมาในหน้า อ, อกดออกไหมค่ะนั่นให้รู้ทันมัน แต่ละคนนะไม่มีสารภาพแต่ละคนตกเป็นาธาตุของความอยากของตัญหาตัญหาสั่งให้พูดต้องพูดนะไม่พูดแล้วอึดอัดลงโทษเลยถ้าได้พูดแล้วสบายใจนี่มันให้คุณเป็นเจ้านายที่รู้จักให้คุณให้โทษเรางั้นให้เรารู้ทันมันอย่าลงกลมันมันอยากพูดรู้ทันเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคราว น, นี้เหลือเหตุผลแล้วสมควรพูดก็พูด ไม่ใช่ว่าความอยากพูดเกิดขึ้นเราต้องห้ามพูดตลอดนะไม่ใช่พอความอยากดับไปแล้วเนี่ยมีเหตุสมควรพูดเราก็พูดเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดให้รู้ว่าไหลไปคิดจะไปอีกแล้วรู้ไหมจะไปสังเกตมนะันให้รู้ทันเนี่ยรู้ทันอย่างนี้แหละเรียกว่าดูจิตแหะคือรู้ทันพฤติกรรมของจิตตนเองนั่นเองเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหม มันลืมกายลืมใจไปเลยเอาให้พูดได้ขอบคุณค่ะหนูเอาปฏิบัตินะคะหนูฝึกมาทางสายหลวงพ่อเทียนนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะดูตามความเคลื่อนไหวจะแบบ อ, อย่าเ ข, าข้าใจาผิดนะหลวงพ่อเทียนไม่ได้ให้ดูความเคลื่อนไหวหรอกหลวงพ่อเทียนให้ดูความให้รู้สึกให้เคลื่อนไหวเพื่อจะรู้สึกตัวนะเพราะงั้นมันไม่ได้ดูความเคลื่อนไหวของมือนะอย่าเข้าใจผิด หลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยละใจแอบไปคิดแวบ ร, รู้ทันท่านถึงสอนบอกว่าถ้าเห็นว่าจิตชิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรนะุ่นหลังเนี่ยเริ่มทำคลาดเคลื่อนล้เริ่มไปเพ่งใส่มือไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยให้จิตอยู่กับมือนะไม่ตรงกับที่ท่านสอนนะท่านบอกว่าเขยา่าธาตุรู้ถ้ารู้คืออะไรถ้ารู้คือจิตเราต่หากค่นะเนี่ยใจหนีไปแล้วรู้สึกไหม ใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดถ้าไม่รู้นะเราจะหลงอยู่ในโลกของความคิดเลยเะนั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยให้ขยับเพื่อไม่ให้หลงไปคิดนานขยับไปแล้วก็พอใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปหลวงพ่อเคยเข้าไปหาท่านสองครั้งเห็นท่านขยับนะโอ้หลวงพ่อเทียนขยับยอดเยี่ยมมากหลวงพ่อเทียนขยับแล้วตื่นตอนนั้นท่านสอนโยมเต็มสาราเลยโยมมีสองพวกนะพวกหนึ่ง ผิดเราไว้ท่าไหนวะ <c oughs> ถ้าไม่เพ่งก็คิดถ้าไม่เผลอไปเพ่งก็เผลอไปคิดมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวแต่ขยับไปเนี่ยขยับไปปุ๊บใจลอยไปรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วเนี่ยใจลอยแล้วรู้ไหมมันก่อนนู้เนเดินพฤศจิกาไปเยี่ยมหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อคำเขียนบอกวนะ่าเดือนนี้ดีนะไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องจเจริญสติเลยไม่ใช่แม่มดีว่าไม่มีคนสอนนะบอกว่าดีว่าหลวงพ่อสอน บางเดียวนี้ไม่ค่อยมีคนสอนเรื่องเจริญสติมีแต่สอนเรื่องอื่นสอนเรื่องเพ่งเอาเยับมือก็ไปเพ่งใส่มือต้องรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งเอาเนี่ยเยับนิ้วรู้สึกไหมใจทื่อๆเห็นไหมตรงนี้ผิดขยับนิ้วใจทือๆไปขยับมือใจก็ทืทอๆอีกแหละมันคือการบังคับใจตัวเองไม่ใช่การรู้นะเนี่ยใจแอบงงๆแล้วรู้สึกไหมงงรั่วงง หลวงพ่อเตียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติงั้นเราขยับไปเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วเราคอยรู้เอาพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วนะท่านสอนต่อบอกว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนี่หลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้ของเรากลับไปคิดว่าต้องเพ่งกายไม่ให้เผลอเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเนี่ยหลงละรู้ไหมหลงเข้าไปจ้องใส่มันละนะ จะไปจ้องใส่กายจ้องใส่ลมซ่องใส่อะไรมันก็จ้องทั้งนั้นแหละเป็นความหลงทั้งหมดเลยหลงเพ่งสงสัยอีกแล้วรู้สึกไหมคนนี้ช่างสงสัยจริงๆสงสัยทุกๆสิบวินาทีเนี่ยให้รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านอะส่งตอบไปขณะในมัธการหลวงพ่อค่ะเหนูก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกอะค่ะ ก็กําลังพยายามหัดรู้หัดบบหนะดูนะสงสัยอีกแล้วรู้ไหม <c oughs> อ้าวว่าไปว่าไปก็พยายามเรียนรู้ที่จะดูกายดูจิตอยู่ค่ะแต่ว่า <c oughs> ก็จริงๆก็ยังสงสัยและไม่แน่ใจว่าตัวเองทําถูกหรือเปล่าถ้าเวลาไม่แน่ใจนะให้รู้ว่ากําลังไม่แน่ใจอยู่ <c oughs> ให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏในปัจจุบันนะรู้ลูกเดียวเลย เราจะเห็นไดยความรู้สึกทุกชนิดผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยดูเพื่อแค่นี้เองคือเวลาเผลอ่ะพอรู้สึกตัวว่าเผลอปุ๊บก็เราจะดูอะไรต่อก็บางทีใช่ค่ะให้รู้ว่ากำลังสงสัยว่าจะดูอะไรต่อไงนะรู้โลงปัจจุบันไปรู้สึกไหมตอนนี้เราบังคับตัวเองอยู่พยายามพยายามกำับให้รู้เลิกเลิกบังคับซะทาตัวตามสบาย ทำรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายนะจิต ท, ที่ผ่อนคลายดีนะจิต ท, ที่เครียดเครียดเป็นอกุศลจิตอ่ะได้อีกคนหนึ่งนะอ่ะธรรสการหลวงพ่อค่ะก็สังเกตดูว่าความคิดของตัวเองเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับแล้วมันก็ต่อเนื่องกันไปเหมือนคลื่นนะคะดีแต่ว่าบางครั้งก็เกิดความรู้สึกลาคาญขึ้นมาว่าเกิดดับอยู่ได้เธอ ให้รู้ว่าลำคาญค่ะลำคาญแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าจิตไม่ตั้งมั่นคือลืมไปเลยเพอรู้สึกอีกครั้งมันก็ขึ้นมาเหมือนคลื่นที่มีความถี่สูงแต่ว่าถี่อค่ะไม่ทราบว่าดีแล้วดีแล้วเพราภาวนาดีนะดูไปเรื่อยๆภาวนาได้ดีแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาเราคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเรื่อยๆ ถามว่ารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเราไม่ต้องไปดับเขานะเขาดับของเขาเองพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะนะพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดารู้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่รู้เพื่อจะดับเขาแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาเกิดได้เขาก็ดับเองอะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นแหละ คำว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละภาษาแขกเรียกว่าตาต า, ตามันเป็นอย่างนั้นแหละแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าเกิดนิวรณ์คือความงดหยิดแล้วก็ความฟาาุ้งซ่านแทรกเข้ามาซึ่งเราคุมมันไม่ได้คุมไม่ได้นั่นแหละเป็นธรรมะเรียกว่าอนัตตาเก่งนะภาะวานาดีกลับนมัศการท่านค่ะนี่ครั้งแรกที่ได้มากราบนมัสการท่านก็ กลับขอความเมตตาสั่งสอนค่ะโยมเคยดูความรู้สึกของตัวเองนะความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาสดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาแห้งแล้งนะพอดูเป็นวันวันว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันได้แล้วมาดูให้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนกันตรงนี้พอดูได้ไหมเนี่ยดูไปเรื่อยๆต่อไปมันจะละเอียดขึ้น มันจะกลายเป็นว่าแต่ละขณะแต่ละขณะจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันขณะที่เรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปขณะที่ใจเราคิดเราไปคิดเรื่องนี้ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปคิดเรื่องนี้ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกของเราจิตใจของเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการกระทบอารมณ์ ver, กระทบทางตาเช่น <os> เราเห็นเพื่อนเราเดินมาก็ดีใจเห็นหมาบ้าวิ่งมาเรากลัวเรารู้ทันใจนะ ดีใจแล้วไปคุยกับเพื่อนไม่เป็นไรมาบ้ามากลัวอย่าสักว่ากลัวนะหลบให้ทันนะไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมนะถ้ามีกรรมหมาคงกัดเนี่ยมีกรรมปัจจุบันนะโง่ะนะมีกรรมปัจจุบั น, นแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนะดีฝึกไปนะฝึกการดูจิตนะเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับคนในเมืองคนที่ไม่มีเวลาทำฌานมากมาก ดูจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันทั้งวันไม่นานเราก็เห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี้ยของชั่วคราวความสุขชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะอะไรอะไรก็ชั่วคราวพอใจเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวแล้วเนี่ยจิตใจเราจะสงบสุขมากขึ้นอย่างความสุขมาใจเราไม่หลงระเริงเรารู้ว่าชั่วคราวความสุขหายไปเราไม่เสียดายพอความทุกข์มา จิตใจเราก็ฉลาดรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวนะเราก็ไม่ทุรนทุรายจิตใจมีความสงบสุขแค่เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตใจก็สงบสุขขึ้นเยอะแล้วแล้วภาวนามากเข้ามากเข้าถึงจุดที่เขาปล่อยวางยิ่งมีความ